เดี๋ยวเราต่อจากเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่พูดถึงเรื่องของศรัทธาเนาะศรัทธาก็คือความเชื่อความเชื่อมั่นศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจเพราะได้พิจารณาไตรตรองมองเห็นด้วยเหตุผลแห่งปัญญาอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าศรัทธานั้นก็พัฒนาไปถึงปัญญานี่แล้วก็แยกออกเป็นสาด้าน ลำดับแรกก็คือมั่นใจในพุระเจ้าด้านที่หนึ่งด้านที่สองก็คือความเชื่อความมั่นใจในพระธรรมด้านที่สก็ความเชื่อความมั่นใจในพระสงฆ์ใช่ไหมจากตถาคตโพธิสัทธาก็เลยกลายเป็นรัตนตรีญาติสัตถาก็คือเป็นสัตถาในพระรัตนตรยัยความเชื่อความมั่นใจในพุระเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลต้นแบบ ซึ่งยืนยันถึงวิสัยความสามารถของมนุษย์ว่ามนุษย์สามารถจะยังรู้สจธรรมก็ถึงความจริงและความดีงามสูงสุดดาใช่ไหมด้วยสติปัญญาและความสามารถความเพียรพยายามของมนุษย์เอง <c oughs> นี่คือเชื่อมั่นมนุษย์ตั <c oughs> ออย่างที่ว ม, มนุษย์เป็นสัตว์ที่ปึกได้นี่แหละแล้วก็สามารถเจริญงอกงามได้ทั้งสองด้านด้านอะไรทั้งในด้านระเบียบชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมสิ่งแวดลอ้อมทั้งด้านกายวาจา และก็ทังด้านคุณธรรมอาชีพทั้งหลายเป็นต้นแล้วเนี้ยอีกด้านหนึ่งก็คือเข้าถึงความจริงและความดีงานสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามของมนุษย์เองนี่เป็นงี้เนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้แบบนี้แหละและจะเล่นงอบงานได้ทั้งในด้านระเบียบชีวิตที่สัมพันธ์อย่างที่ได้กล่าวทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามนุษย์สามารถที่จะหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดบีบคั้น ที่เรียกว่ากิเลสและกองทุกและสามารถที่ทำทุกให้หมดสิ้นไปได้ประสบความเป็นอิสระแล้วก็ความดีงามความ้ํำเลิศบริบูรณ์ได้ทีนี้การที่จะสามารถเข้าถึงสภาวะเช่นนี้ได้ย่อมไม่มีสัตว์ หรือไม่มีสัตว์ที่จะวิเศษใดๆที่จะชื่อว่าเป็นเทพเป็นมารหรือเป็นพรมที่จะเป็นผู้ประเส ร, ริฐและมีความสามารถเทํามนุษย์อันนี้ก็คือการฝึกตนจนรู้ถึงภาวะที่ดีงามเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็คือตถาคตโพธิสัตว์เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระทถาคตประการที่สองก็เชื่อมั่นในพระธรรมทั้งความจริงและความดีงามที่บุคคลต้นแบบระบบบระดับผู้ได้เจ้าเนี่ยท่านทรงเคย ได้ปฏิบัติเห็นผลประจกักษ์โดยตนเองแล้วก็ค้นพบแล้วก็นํามาประกาศเปิดเผยธรรมะนั้นเป็นสภาวะที่ดํารงอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันเป็นกฎเกณฑ์อันแน่นอนเป็นธรรมดิยามเนาะเป็นธรรมทิติเป็นกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นกับการอุบัติเกิดขึ้นของวัฏาะคตไม่ว่าจะมีใครไปพบหรือไม่พบก็แล้วแต่เดี๋ยวพระรยาเนี่ยสามารถเข้ามาเจอความจริงพบความจริงแล้วก็ามาประกาศเปิดเผยใช่ไหมประการที่3คือมั่นใจในประสงค์ ชุมชนหรือแบบทั้งคมแบบอย่างที่เป็นพยานยืนยันมวลมนุษย์ทั่วไปมีความสามารถที่จะบรรลุความจริงความดีงามสูงสุดได้อย่างบุคคลต้นแบบแต่ชุมชนหรือสังคมนั้นจะมีขึ้นได้เป็นไปได้ก็โดยการย อ, ยอมไม่ธรรมะก็คือความจริงความดีงามนะีปรากฏผลประจักษ์เป็นต้นขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของศรัทธาที่ได้พูดไว้แล้วสรุปประเด็นที่บอกว่า พูดถึงในเรื่องของแม้ศรัทธาจะมีคุณประโยชน์สําคัญแต่ในขั้นสูงสุดนะถ้าพัฒนาไปสูงสุดแล้วเนะี่ยศรัทธาก็จะหมดบทบาทพัฒนาไปถึงตัวปัญญาศรัทธาจึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันตะ์แต่ตรงกันข้ามพระอรหรนะันต์นั้นกลับเปคุณลักษณะผู้ที่ไม่มีศรัทธาอัศรีย์ก็คือได้รู้ได้ประจักษ์ไม่ต้องเชื่อต่อใครๆอีกต่อไปโดยสรุปตรงนี้ก็คือความก้าวหน้าในมรรคา ที่จะเจริญงดงามในศีลสมาธิปัญญาดําเนินไปตามมชิมาปฏิปทาจากความเชื่อคือศรัทธามาเป็นความเห็นความเข้าใจด้วยเหตุผลเป็นทิฏฐิจากทิฏฐิก็บรรลุไปถึงความเห็นที่ถูกต้องเป็นญานนณทัศนะในที่สุดถึงขั้นสุดท้ายก็เป็นอันหมดภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิงใช่ไหมไอ้ตรงนี้เราจะไปถึงไหมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าพูดอย่างนี้หลายๆคนก็อิศรัทธาครไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ศรัทธาสําคัญมาก เป็นเบื้องตน้นศรัทธานั้นนมีขอบเขตความสําคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงไรก็เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจตามความเป็นจริงไม่ควรตีค่าสูงเกินไปแต่ก็ไม่ควรจะดูแคลนนะนะโดยเด็ดขาดเพราะในการที่ดูแคลนศรัทธาอาจากลายเป็นการเข้าใจความหมายของศรัทธาที่ผิดนั้นศรัทธาเนี่ยอยู่ในระดับที่จะต้องมีด้วยในระดับศีลก็คือที่เรียกว่าศีลธรรมศรัทธาก็เป็นองค์ธรรมสําคัญที่มันมาเกื้อกูลทําให้คนมีหลัก ตั้งตัวเป็นกำลังเหนียวลังและก็ตัวปะทะไม่ให้ยอมตามสิ่งที่ชักจูงแล้วก็ล่อเรายวนเย้าให้เกิดความทำชั่วเป็นต้นการมีศรัทธาเป็นเหมือนมีร่องไหลประจําตัว เ, เป็นการนํากระแสะความคิดที่เขาเราียกว่าศรัทธาโลดแล่นและเป็นตัวนําที่เป็นตัวนําพาชีวิตให้กล้าให้กล้าที่จะเดินฝ่าฟันอปุปสรรคและอันตรายไปถึงจุดหมายที่ ดีเป็นต้นได้บางทีศรัทธาท่านก็ออกมาเหมือนกับ เ, เหมือนกับการที่เป็นหัวหน้าบอกคนบางคนรังเลไม่กล้าข้ามน้ำเพราะเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมีจระเข้เป็นต้นศรัทธาก็เลยเป็นเหมือนตัวนำนะเป็นคนนำบอกเออท่านทั้งคนงนหนึ่งเป็นหัวหน้านำขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ชักดาขึ้นมาบอกว่าท่านทั้งหลายตามข้าพเจ้ามาข้าเจ้าจะ ฝ่าฟันปัญหาหลบซักเนี่ยเพื่อจะข้ามพ้นจากพยันอันตรายไปนี้ไปสู่จุดหมายที่ดีที่เลยได้ไดเลยเรื่องอยู่ในความหมายว่าปักขันธะแล่นไปแล่นไปนํากลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายมีทานศีลภาวนาเป็นต้นแล่นไปสู่จุดหมายที่ดีเป็นต้นแต่ศรัทธาอย่างเนี้ยก็ต้องมีปัญญาเป็นตัวนํำขบวนด้วยทีนี้ในคณะกระบวนการแห่งการเจริญปัญญาหรือพัฒนาปัญญาเนี่ย อาจกำหนดขั้นตอนที่จัดว่าเป็นระยะศรัทธาก่อนก้าวเข้าสู่ปัญญาได้คร่าวๆก็หนึ่งการสร้างทัศนคติที่มีเหตุผลไม่เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงพราะฟังตามๆกันมาเป็นต้นตามแนวการะมะสูตรเดี๋ยวต่อไปก็ไปดูว่าไม่ยึดถือด้วยฐาะะนาและมรรติทิศสองเป็นผู้คุม้มครอ ง, องสัจจะตรงนี้สับเดิมมาจากคำว่าสัจญานุรักษ์กินดีรับฟังหลักการทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของทุกฝ่ายทุกด้าน ด้วยใจเป็นกลางไม่ด่วนตัดสินใจที่ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเท็จเป็นจริงเป็นเท็จเป็นต้นอะไรเนี้ยไม่ยืนกลางยืนยึดติดแต่สิ่งที่ตนเรู้หรือคิดเห็นเท่านั้นว่าถูกต้องเป็นจริงประการที่3รับฟังทฤษฎีคําสอนความเห็นต่างๆของผู้อื่นแล้วก็พิจารณาเท่าที่เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผลและเมื่อเห็นว่าผู้แสดงทฤษฎีคําสอนหรือความเห็นนั้นเป็นผู้มีความจริงใจไม่ลําเอียงมีปัญญา จึงเลื่อมใสรับเอามาเพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงต่อไปประการที่4ก็คือน้ำสิ่งที่ไปรับมานั้นนี่ยมาขอบคิดทดสอบด้วยเหตุและผลจนแน่ใจของตนเองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงอย่างแน่นอนและในส่วนจริงก็เกิดความทราบซึ้งด้วยความมั่นใจนะในเหตุผลเท่าที่ตนเองจะมองเห็นแล้วพร้อมที่จะลงมือทําพร้อมจะปฏิบัติพร้อมจะพิสูจน์ทดสอบให้เห็นตามความเป็นจริงให้ความจริงนั้นประจักษ์ต่อไปใช่ไหม ในขั้นทั้งศรัทธาเนี่ยสำคัญถ้ามีความเครือบแคลงสงสัยก็เรียบสอบถามด้วยใจที่บริสุทธิ์มุ่งอะไรมุ่งแสวงหาปัญญาเนี่ยแหละมิใช่ด้วยอาหางการและมามังการยกตนถือตนพิสูจน์เหตุผลให้ชัดเจนเพื่อให้ศรัทธานั้นมันน่นคงแน่นแฟนเกิดประโยชน์สมบูรณ์ตามความหมายของมันได้ได้อย่างนี้เป็นต้นออบางที ว่าเราเรายกในพระสูตรก็จะมีเยอะนะในพระสูตรในการามาสูตรที่ยกมาในพระสูตรต่างๆในที่ต่างๆก็จะยกนะี่ยก า, ามาสูตรในพระสูตรนี้ก็ยังมีประเด็นที่จะต้องถกกันก้นๆเยอะในความหมายในความหมายตัวตัวศรัทธาตัวศรัทธานในการามาสูตรก็จะพูดถึงเรื่องอย่าเชื่อสิบอย่างใช่ไหม มาอนุสตวะเนนะอย่ายึดถือโดยที่ฟังตามๆกันมาแต่ในที่นี้แปลว่าอย่ายึดถือโดยฟังเรียนตามๆกันมาแต่ต่อมามาแปลงอีกความหมายหนึ่งนะคือหลักการคือตรงนี้ครั้งหนึ่งพระเจ้าจาริกไปที่เมืองเกษปตานิคมของชาวกรละมะในควันโกลส ชาวกรรมชนได้ยินกิติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้า ว, ว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าถึงพร้อมได้วิชา8ปจรยานสเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเป็นผู้ตัสรูชอบได้โดยตนเองเป็นต้นเหล่านี้พอได้ยินในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยคนทั่วๆไปก็ปรารถนาที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็ปรารถนาที่จะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยชาวการะมาชนได้ยินก็พากันไปนแต่ว่าในชาวการะมะเนี่ยบอกว่าพระองค์ผู้เจริญสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมาสู่เกษรปุตตานิคมท่านเหล่านั้นก็แสดงเชิดชูแต่ว่าท่าลัที่ของตนเท่านั้น แต่ย่ำกระทบกระเทียบดูหมิ่นพูดกดวาท่าฝ่ายอื่นชักจูงไม่ให้เชื่อสมณพราหมีกพวกหนึ่งก็มาสู่เกษพรตานิคมอย่างเงี้ยท่านเหล่านั้นก็แสดงเชิดชูแต่วาทะของตอนเท่านั้นกระทบกระเทียบดูหมิ่นพูดกดวาทะของคนอื่นชักจูงไม่ให้เชื่อพวกข้าพระองค์ก็มีความกระเพื่องสงสัยธรรมดาสมณพราหมีเหล่านั้นใครพูดจริงใครพูดเท็จ สรุปตรงนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ากล่าวในพระสูตรเนี่ยนะเนี่ยพวกบรรดาครูทั้งหกปุรณะกัสปามาคาคริโคสาละมามาเมืองเนี่ยครูทั้งหกมาทั้งเมืองมากันทั้งหมดเลยมาที่นี่แหละพอมาก็แสดงทิศดีลัทธิความเชื่อของตนเองเนี่ยนะแล้วก็ดูหมิน่น ความเชื่อและที่ของบุคคลอื่นถามว่าจะสับสนไหมแล้วถ้าปัจจุบันเนี่ยมีไหมแบบนี้ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้เลยนะถ้าพูดถึงกาลมาชนหรือว่าในเกสะปุจชะนกรมก็อุปมาเหมือนในชมพูทวีป ในโลกนี้ทั้งใบเนี่ยก็มีครูทั้ง6เกิดก่อนและผ่านมาก่อนพวกรัตธิมิฉาทิถีก็มาก่อนความเห็นผิดก็มาก่อนแล้วพระเจ้าก็บอกประกาศเออบรรดาครูเหล่า น, นั้นก็ประกาศไม่ให้เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อคนรัททิอื่นนี่เชื่อตนเองต่างฝ่ายต่างก็โฆษณานเนี่ยพระพธเจ้าก็เลยบอกการละมชนทั้งหลายเป็นการสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะเครือบแคงสมควรแล้วที่จะสงสัยความเคลือบแคลงของสมณพราหมณ์ ความสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะการลมาจทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยตรงนี้กเลยอย่ายึดถือโดยการฟังเรียนตามๆกันมาเนี่ยอนุสวะอนุสวประการต่อมาอย่ายึดถือโดยการถือสืบๆกันมาปรำปราอย่ายึดถือโดยการเล่าลืออิติกีราอย่ายึดถือโดยการอ้างตำราปีตะกะสัมปทานะน <c oughs> ี่ปิดกนี่นะอย่ายึดถือโดยตะกะตะกะ อย่ายึดถือโดยการอนุมาลนิยะนี่อย่ายึดถือโดยการคิดตรองตามแนว่งเหตุผลอาการะปริวิตรกะอย่ายึดถือโดยการเข้ากันได้กับทฤษฎีของตอนทิตินิชามะคันติตรงกับความเห็นทฤษฎีความเชื่อของตัวเองอย่ายึดถือเพระมองเห็นว่ารูปรักษ์น่าเชื่อถือนี่เป็นพัพพารู ป, ปตาไปอย่ายึดถือเพราะนับถือว่าท่านผู้นี้เป็นสมณะเป็นครูของเราสมโนโนครุติเอาละสิแตนี้ไม่ให้ยึดถือ ก็คือเหตุสิประการในอย่ายึดถือแต่ต่อมาก็มาแปลงศัพท์นี้เป็นอย่าปงใจเชื่อที่จริงอย่ายึดถือตรงนี้เขาแปลงมาดีนะสั์มันก็มาจากคาว่ามาอนุสาวะเนนะเป็นต้นเหล่านี้มาอนุสวะียนะก็หมายความว่าถ้าอย่ายึดถือด้วยตัณหา อย่ายึดถือได้มานะฮะยกตนชื่อตนเปรียบตอนอย่ายึดอย่ายึดถือได้ทิฐิเนี่ยไอ้ตรงนีถ้ถ้าหมุนไปถึงตรงว่าอย่ายึดถือได้ตัณหามานะทิฐินี่ชัดไหมโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนเองเห็นยังไงก็อาทิฐิตัวเองไปยึดแล้วก็มันเทียบเข้ากับความเห็นความชอบใจตนเองมันยกตนเองทําให้ตนเองรู้สึกมันเด่นขึ้นมันสูงขึ้นก็ ย, ยึดถือได้มานะบางครั้งก็ยึดถือโดยตัณหามันชอบ รู้สึกมันแช่มันรู้สึกพูดมาแล้วมันตรงมันชอบใจเหลือเกินถูกใจเราเหลือเกินเนี่ยอันนี้ก็เห็นไหมไอ้ความยึดถือในตัณหามนาทิฏฐิก็คือเป็นกิเลสนี่แหละนั้นเวลาอ้างอะไรขึ้นมาพอยึดถือปุ๊บมันผิดหรือไม่ผิดทั้งๆยึดถือในสิ่งที่ถูกผิดไหมมันผิดตรงตัวตัณหามนาทิฏฐิตัณหามันก็อยากได้มานาก็อยากใหญ่ทิฏฐิก็ใจแคบใช่ไหมมันก็เลยอันแรกก็คืออยากมันตอบสนองตัวเองเหลือเกิน รู้สึก<อ>สิ่งตัวเองชอบเนี่ยมีคนมาพูดมันตรงกันที่เราชอบเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าพูดปุ๊บเนี่ยมันสะใจตัวเองเหลือเกินมันรู้สึกกดคนอื่นทำให้คนอื่นด้อยขึ้นเนี่ยตอนทำให้เราสูงขึ้นหรือทําให้พอๆกับเราทําให้เด่นกว่าเราแย่กว่าเราด้อยกว่าเราแล้วก็แล้วแต่นียมานะคิดถือได้มานะสันทิษฐิก็หมายความว่าแม้เราคิดยังไงเห็นยังไงมันตรงใจเราเลยเนี่ยตรงทิศฐิตรงความเห็นเราเลยเนี่ เนี่ยลักษณะแบบนี้ไอาการอย่ายึดถือเนี่ยอันนี้ถ้าแปลงมามุมนี้มันจะเห็นชัดบางกลุ่มก็ยึดถือโดยการฟังเรียนเลียนตามการกันมาโดยการถือสืบๆกันมาโดยการเล่าลือโดยการอ้านตำราโดยตักกะโดยการอนุ ม, มาโดยการคิดตามแนวเหตุผลโดยทฤษฎีของตนโดยมองรูปลับภาพที่น่าเชือ่อเฮ้ยคนนี้น่าเชื่อถือเป็นคนภาพลักษณ์ดีอ่ะน่าเชื่อถือเขาไม่โกหกล้อก ตรคนดีแน่นอนไม่ใช่คนตระกูลต่ำที่ไหนตระกูลสูงภาพลักษณ์ก็ดีตระกูลก็ดีอะไรต่างๆไม่มีไม่ i, ไมีมยังเชื่อถือได้อ๋อคนนี้เชื่อถือได้ก็เป็นครูงชั้นใช่ไหมเชื่อถือยึดถือได้เมื่อใดท่า <book>. นทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้วินยูชนตีเตี้ยนทำเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อ ชาติชรามราณะโสกาปริเทวทุกขโ ท, โทโมนะสอุปลายาตเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเห็นไหมถ้ามาพิสูจนอันนี้เป็นกายทุกจริตวิจีทุกจริญมโนโ ท, ทุกจริญนี่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะเป็นต้นนี่อันนี้เป็นบาปเป็นอกุศลนี่ถ้ายึดถือนํามาปฏิบัติแล้วจะนําไปสู่อบายทุกขติวิบัติในรกนี่อันนี้ไม่ควรยึดถือเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าเอามาพิสูจน์เอามาวิจัยแยกแยะธรรมเหล่านี้เป็นกุศล บอกว่าเป็นธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษใช่ไหมเช่นรู้ด้วยตนเองหรือยังว่าเป็นกุศลไกุศลถ้าแยกตรงนี้ได้มันชัดแล้วหนึ่งอนนาวชะไม่มีโทษนะอนนาวชะเนี่ยไม่มีโทษก็หมายความว่าสะอาดอย่ามองของแผ่วไม่มีของเสียอารมคยะก็คือไม่มีโรคก็คือเป็นสภาพที่ไม่เสียดแทงเป็นสภาพที่ไม่ทําร้าย จ, จิตใจ เป็นสภาพที่ไม่เครียดไม่กัดกุ้มไม่วิตกกังวลเป็นต้นสุขาวิปาก า, กากคือเป็นไปกับความสุขกุศลสัมภูตะเป็นไปกับยานปัญญาโอ้อยางนี้เป็นกุศลทําเหล่านี้เป็นกุศลทําเหล่านี้ไม่มีโทษนะทั้งแก่ในขณะที่ผู้เสพผู้เจริญเองในขณะนั้นก็ไม่มีโทษทั้งด้านจิตใจทั้งด้านบุคลิกภาพสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมผลที่จะตามมาผลที่จะตามมาก็สุขติโลกสวรรค์เป็นต้นเหล่านี้นะ ทำเหล่านี้วินยยชนสารเส ร, ริญทำเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อ น, นั้นท่านทั้งหลายก็พึงถือปฏิบัติแล้วก็บําเพ็ญทำเหล่านั้นในกรณีผู้ฟังยังไม่รู้ไม่เข้าใจหรือยังไม่มีความเชื่อในเรื่องใดๆก็ไม่ควรจะชักจูงความเชื่อเป็นแต่เพียงทรงสอนให้พิจารณาตัดสินเอาตามเหตุและผลที่เขาเห็นได้ด้วยตนเองเช่นในเรื่องของความเชื่อทางด้านจริยธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของชาตินี้ชาติหน้า ก็มีความในตอนท้ายของพระสูตรที่บอกว่าการารมชนทั้งหลายอริยาสาวสาากผู้มีจิตปราศจากเวนอย่างนี้มีจิตปราศจากการเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตที่ไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้ย่อมได้ประสบความอุ่นใจถึงหลักสี่ประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คือ 1. นื่องถ้าโลกหน้ามีจริงผลวิบากกรรมที่ทาไว้ทาดีทาชั่วมีจริง การที่ว่าเมื่อเราแต่กายทําลายขันไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็ย่อมเป็นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นี่เป็นความอุ่นใจประการที่หนึ่งของบุคคลที่ไม่ทําบาปไหมคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดกามหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เอาของหมึนเมาไปใส่ในกระแสชีวิตใช่ไหมคนที่ไม่ประกอบไปด้วยกายคนที่ประกอบไปด้วยกายยศเจ็ดวิจิตรเจรือเป็นต้นเนี่ยวาเขาอุ่นใจสิถ้าประโลกหน้าไม่มีผลวิบากกรรมที่ทําไว้เป็นต้นทําช่่วไมมี เราก็คลองตนอยู่โดยไม่มีทุกข์ใช่ไหมไม่มีเวรเลยปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีเวรกับใครๆเลยสมมุติมันจะไม่มีอ่ะไม่มีโลกหน้าแต่เราปัจจุบันนี่เราก็ไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยไปฆ่าไม่เคยไปลากไม่เคยไปปุ๊บปิดในกาไม่เคยไปกล่าวเท็จคําำยาเพื่อเจ้อใจไม่เคยไปพิชิสลายเขาไม่เบียดเบียนเขาเห็นชอบตามคลองทำอยางนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าเออถ้าทําชั่ว เราก็ทํามีความสุขใ น, ในชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นความอุ่นใจประการที่สองแล้วเราไม่ได้เบียดเบียนใครก็ถ้าเมื่อคนทําชั่วก็เป็นอันทําซ้ายเราก็ไม่ได้ทำกรรมชั่วไรไ้ายใดๆกับใครทุกที่ไหนจะมาถูกต้องผู้ได้ทําบาปรกรรมเล่านี้ก็เป็นความอุ่นใจประการที่3ที่เขาจะได้รับก็ถ้าเมื่อคนทําความชั่วก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทำแล้วไซายในการนี้เราก็มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองด้าน นะทั้งสองด้านเลยนี้เป็นความอุ่นใจประการที่4ี่ที่เขาจะได้รับเอาลลยสิชัดไหมชัดไม่ชัดในการามสูตรสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้นับถือรัฐิศาสนาหรือคำสอน ใ, นใดๆพระองค์ก็ตรัสทมเป็นกลางๆเป็นการเสนอแนะความจริงให้เขาคิดด้วยความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์แก่เขาเองโดยไม่ได้ต้องคานึงว่าหลักธรรมนั้นเป็นของผู้ใดโดยให ตัวเขาเป็นตัวของเขาเองไม่มีการชักจูงให้เขาเชื่อให้เขาเลื่อมใสต่อพระองค์นะเนีย่ยอันนี้หลักการคําสอนพระเจ้าเป็นอย่างนี้แหละและพิงสังเกตอีกอย่างว่าจะไม่ทรงอ้างพระองค์หรืออํานาจหรือธรรมชาติพิเศษอันใดเป็นเครื่องยืนยันคําสอนพระเจ้านอกจากเหตุผลเนี่ยนะพิจารณาด้วยปัญญาของเขาเองก็สังเกตได้ในหลักการที่บอกว่าอปันน ก, กะอปันน ก, กตาในเรื่องที่มนุษย์ตัวไปไม่รู้ก็จะเป็นเรื่องที่เรียกกันเหนือธรรมชาติก็ตาม หรือได้แก่เรื่องสามัญไม่รู้แน่ชัดหรือเลือกการปฏิบัติที่พลาดแน่ๆไม่ต้องมมวคิดมัวดเดาตัวอย่างในชาดกที่บอกว่าพอกกองเกวียนเดินทางผ่านทะเลทรายบรรทุกน้ำไปหนักมากระหว่างทางก็เจอพวกคนปลอมจะหลอกเอาไปเป็นเหยื่อบอกว่าข้างหน้าน้้นไม่ไกลมีชุมชนใหญ่มีแหล่งน้ำอุ ด, ดมสมบูรณ์ น้ำที่บรนทุกมานี่หนักเปล่าๆทิ้งไปซื้อเถิดค่อยไปเอาข้างหน้าแถมแสดงหลักฐานเท็จให้ดูพวกกองเกวียนก็ดีใจเอาตุ่มหายใส่น้ำทิ้งหมดแล้วก็เดินทางต่อไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอน้ำจนตายกันหมดนี่เป็นเหยื่อของเขาไปเคยได้อ่านเรื่องนี้ไหมมันมีพวกอมนุษย์มาหลอกเนี่ยมาหลอกพวกอพวกค้า ที่เดินทางผ่านทางกันดาลและเตรียมน้ำใส่เกวยนปล่อยเต็มพวกนี้ก็ไอพวกอมนุษย์ก็เลยแปลงกายมาไงใช่ไหมทำทีทำท่าอะไรนะทำให้ตัวเปียกใช่ไหม ม, มาหลอกที่พวกนั้นไม่ได้สังเกตก็นึกว่าเออข้างหน้ามีจริงๆก็เลยเน้ำทิ้งหมดที่ไหนได้ไปไงก็เสร็จตายหมดโดนกินหมดเลยส่วนกองเกวนอีกพวกหนึ่ง โดนหลอกด้วยหลักฐานเท็จเหมือนกันแต่ถือหลักอภรรกตาที่บอกว่าถ้าไม่รู้จริงประจักษ์ก็จะไม่ยอมตามตักกะหรือการคาดเดาเมื่ออันที่แน่แน่ก็รู้อยู่แล้วคือน้ําที่บรรทุกมาในเกวียนนั่นแหละก็บรรทุกไปจนกว่าจะเจอแหล่งน้ำที่ที่ว่านั้นจริงก็จะก็ก็ก็เติมได้พวกที่ใช้ปัญญาและอะไรที่ประจักษ์ได้ก็ให้ประจักษ์ถือหลักอภรรตานี่ก็พากองเกวียนเดินไปถึงจุดหมายโดยสวัสดริภาพ ก็คือไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วกอเดินไปเดินมาก็ไปเจอกองเวียนข้างหน้าที่เ็าตายกันหมดก็นึกอ่านี่นไม่เราโดนหลอกกันอยู่ต่อมาก็กลุ่มนี้ก็ถึงความสวัส ด, ดีและปลอดภัยเนี่ยสำหรับเรื่องนามธรรมที่ลึกลงไปกว่านั้นนะ่ะดังเช่นเรื่องในอปรรกษสูตรซึ่งแสดงการใช้หลักเลือกเอาที่ไม่พลาดด้วยก่อนหรือทาสิ่งที่ไม่พลาดห้เห็นชัดแน่ ในการที่จะพืชพิสปฏิบัติพระเจ้าเสด็จจาริกถึงหมู่บ้านพราหม์ที่ว่าสาระพวกพรามขาร์ขลังวดีชาวหมู่บ้านก็ทราบกิตติศัพท์ของพระเจ้าดังที่ได้กล่าวนี่แหละในด้านพุทธคุณอิทธิพิโสพระกราถัมมานี่แหละจึงพากันไปเฝ้าแสดงอาการต่างๆในฐานะอาคารตุกขะที่ยังไม่ได้นับถือกันก็สนทนาพระเจ้าสนเนาขลังวดีทั้งหลายพวกท่านมีสัตย์สดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจซึ่งท่านทั้งหลายมี ศรัทธาอย่างมีเหตุผลจะอาการละ ว, ะวะติศรัทธายู่บ้างหรือไม่พกพ ร, าร้าวเหล่านี้บอกไม่มีเลยท่านพูเจริญ <c oughs> พระเจ้าถามเลยเออเนี่ยพระุทธเจ้าเนี่ยการที่เป็นโอคงมีปัญญาเนี่ยเป็นอิสระนะอย่างพวกเราเวลาจะไปพูดอะไรเนี่ยเราจะพูดแบบประเภทที่ว่าอยากให้มันเป็นใช่ไหมอย่างเช่นว่าเวลาจะอธิบายธรรมะก็อยากให้คนอื่นเชื่ อ, อคิดไงั้นไห ถ้าเขาไม่เชื่อก็ทกอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่เป็นอิสระในการในการบัญญัติคือเราแสดงหลักกลางๆนะไม่ต้องไปบังคับไอเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของเขาไอเหตุผลใดๆหรือว่าข้อมูลมีแค่ไหนหลักการมีแค่ไหนเหตุและผลอย่างไรแล้วก็ยกมากล่าวทั้งหมดให้เขาไปมีอิสระในการตัดสินใจไม่ใช่ไปพูดจี้เขาอยู่น จริงไหมจริงไจริงไหมพยายามจะโน้มน้าวไปเขาเชื่อแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็ทุก<笑><笑>ใช่ไหมแล้วมันลุกอึดอัดใจแล้วเกินทำไมสิ่งที่ดีๆเราพรลานาแล้วพลาลายอีกทำไมเขาไม่กินเคยเป็นมั้แล้วเราหวังดีแล้วเกินเนี่ยอยากจะให้นินบอมเนี่ยกินอาหารดีๆเ โ, โพูดแทบตายนินบอมใช่อันนี้เราจะโทษใครเนี่ย โทษเน้นบอมที่ไม่รู้เรื่องหรือโทษเราที่พูดไม่รู้เรื่องวิธีการแสดงหลักการก็คือแสดงเหตุผลเนะท่าที่ตนเองจักแสดงได้แสดงด้วยน้ำใจอันงามประดุดังว่าชี้ข้อดีข้อด้อยใช่ไหมพูดเป็นกลางกลางแล้วก็ให้เขาตัดสินใจยอย่างนี้จะดีไหมถ้าพูดเชิงบังคับเขาจะอึอดอัดใช่ไหม นี่ควรจะเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอา้าวเหมือนพวกเรามันเหมือนบางคนเนี่ยนะถ้าเป็นพวกวัยรุ่นเนี่ยพวกไปจีบสาว <c oughs> คือพูดต้องได้ถ้าไม่พูดเราก็ต้องเชื่อเราใช่ไหมคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงๆเขาไม่เชื่อเราได้ไหมบางทีเขาไม่ได้ตั้งความเชื่อไว้ที่เราโอ้โหยากไหมพูดอย่างเงี้ยคนกลุ่มเนี้อยู่ที่เราจะยกเหตจะลผลอย่างเงี้ยนะ เน่พระรู้เจ้าถามว่าท่านทั้งหลายพวกท่านมีาศาสดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจซึ่งท่านทั้งหลายมีศรัทธาอย่างมีเหตุผลเป็นอาการและวะตัตถีศรัทธาอยู่บ้างหรือไม่สังเกตดูไหมพุทธเจ้าจะขับเน้นว่าศรัทธาอย่างมีเหตุผลพระามณ์ก็บชกาบอกไม่มีเลยท่านผู้เจริญพระรู้เจ้าบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้าศาสดาที่ถูกใจก็ควรถือปฏิบัติหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนก็เรียกอปปนากาธรรมดังต่อไปนี้ด้วยว่าอปปนากาธรรมนี้ เมื่อถือปฏิบัติถูกท้วนจกเป็นไปเพื่อประโยชน์ เ, เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนนั้นเป็นฉไฉนสมนน้ำนพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทมีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการวอมเพญทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทําไว้ดีทําชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีประโลกไม่มีมารดาไม่มีบิดาก็ไม่มีนี้หมายถึงคุณนะ ส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวัฒนมีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นทีเดียวว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบําเพ็ญทานมีผลการบูชามีผลเป็นต้นเนี่ท่านทั้งหลายเห็นเป็นไฉไหนสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวัฒนเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกันไม่ใช่หรือพราหมณ์ก็บรดีวร์ใช่แล้วอย่างนั้นพระราชาบอกเออในสมณพราหมณ์สองพวกนั้นน่ะพวกที่มีวัฒนมีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบำเพ็ญทานไม่มีผล <S <S <S เป็นต้นเหล่านี้ สำหรับพวกนี้เป็นอันหวังสิ่งต่อไปนี้ได้คือพวกเขาจะละทิ้งกายยโสจริตใช่ไหมพเพราะก็คิดว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการบวงสวงไม่มีผลการทำดีกับพ่อกับแม่ไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีไปต้นเนี่ยพวกนี้เขาจะประพฤติถือการประพฤติกายยโสจริตเขาจะละทิ้งกายยโสจริตวิจิสุจริตมโนจริต อันเป็นกุศลทั้งสามอย่างเสียแล้วก็จะยึดถือประพฤติกายเยตุจิติ่ไมวจีทุจริ ต, ม, รตมโนทุจริตซึ่งเป็นอกุศลธรรมทั้งสอย่างนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรก็เพราะสมณะเหล่านั้นย่อมไม่มองเห็นโทษความซามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมและอ น, นิสงส์ในเนคขมะเขาก็ไม่เห็นอันเป็นคุณฝ่ายสะอาดผ่องแผ้วของกุศลธรรมในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้า ประโลกไม่มีท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทําลายขันไปก็ทําตนให้ทําตนให้สวัสดีปลอดภัยได้แต่ถ้าปาระโลกมีท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทําลายขันก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเอาเถอดถึงว่าให้ประโลกไม่มีจริงๆให้คําของท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงก็เถิดถึงกันนั้นเน่ยบุคคลนั้นก็ถูกวินยูชนติเตียนในปัจจุบันเองว่าเป็นคนทุศีลเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิด เป็นนติกาวาทะมีวาทะบอกว่าไม่มีก็ถ้าประโรคโรกหน้านมีจริงบุคคลผู้นี้ก็เป็นอันได้แต่ข้อเสียหายทั้งสองด้านคือปัจจุบันก็ถูกวินิจฉัยจนตีเตียนแต่กายทําลายขันไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตินรกอีกด้วย<อ>เสียอย่างเดียวใช่ไหมสมณพรามณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฐิว่าความดับพบหมดสิ้นไม่มี ส่วนสมณพราหมณ์พวกหนึ่งซึ่งมีวัฏะมีทิฏฐิที่เป็นข้าสึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวว่าการดับภพหมดสิ้นมีอยู่ในเรื่องนั้นคนที่เป็นวิอยู่ชนก็พิจารณาดังนี้ว่าที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าการดับภพหมดสิ้นไม่มีนี้เราก็ไม่ได้เห็นแม้ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพหมดสิ้นมีอยู่จริงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นอยู่จะก่าวยึดเด็ดขาดลงไปอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็ดดังนี้ย่อมเป็นการไม่สมควรแก่เราใช่ไหมก็ถ้าคำของสมณพราหมณ์ที่มีว้ามีทิฏฐาว่าความดับพบหมดสิ้นนั้นไม่มีไม่มีเป็นความจริงนะการที่เราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูปผู้เป็นสัญญาไหม สัญญาไม่เนี่ยได้ได้แม่นมั่นไม่พลาดก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าคําของสมณพราหมณ์ที่มีทิฏฐิบอกว่าความดับพบหมดสิ้นมีอยู่เป็นความจริงการที่จะปริยนิพพานได้ในปัจจุบันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีทิฏฐิบอกว่าความดับพบหมดสิ้นไม่มีนี้อยู่ข้างของการมีความติดใครอยู่ข้างของการผูกพันรัดตัว อยู่ข้างของการมัวเพินอยู่ข้างของการสยบหมกมุ่นอยู่ข้างของการถือค้างถือขาส่วนทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทามีทิฏฐิวา่าความดับพบหมดสิ้นมีจริงนั้นอยู่ข้างจะไม่ติดใครอยู่ข้างจะไม่ผูกพันลัดตัวอยู่ข้างจะไม่มัวเพินอยู่ข้างจะไม่สยบหมกมุ่นอยู่ข้างจะไม่ถือค้างถือขาเราพิจารณาดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อนิพิทาวิราคะนิโรธและ แห่งพบทั้งหลายเป็นแท้เนี่ยพุทธพจน์แสดงให้เห็นว่าความรู้ความคิดเห็นในระดับที่ยังเป็นความเชื่อเหตุผลเนี่ยยังเป็นความรู้ความเห็นที่บกพร่องที่มีทางผิดพลาดยังไม่เชื่อเป็นการเข้าถึงความจริงนะแล้วก็ อ, อกแน่ท่านภระรวาชาทำห้าประการก็คือ1งสัทธาความเชื่อสองรุจิความถูกใจ 3. อนุสวะการฟังหรือการเรียนตามๆกันมา สอาการรัรูเวตา ก, ก, การคิดตรองตามแนวของเหตุผล5ทิฏฐินิชานักขันติก็คือความเข้ากันได้การเพ่งพินิษด้วยทฤษฎีของตอนเองเข้ากับความเห็นตนัวน mm ี hmm. ้ก็สิ่งใดที่เชื่อสมิททีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็ดไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เชื่อเลยทีเดียวแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีใช่ไหมเพื่อเป็นเงื่อน่ะนะ บางอย่างเนี่เราไปยืนยันตายตัวลําบากกงนหนึ่งถ้ายังไม่เห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่ถูกกับใจชอบใจทีเดียวกับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่มิได้เห็นชอบถูกใจเลยแต่กับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียนต่อกันมาอย่าง่อยางดีทีเดียวกับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เรียนตามกันมาเลยแต่กับเป็นของจริงแท้ ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มีสิ่งที่คิดตรองอย่างดีแล้วทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตรองเห็นไวเลยแต่กลับเป็นของจริงเป็นของแท้เป็นของอื่นไปก็มีสิ่งที่เพ่งพินิษไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยว่าถูกต้องตามแนวของทฤษฎีทฤษฎีหลักการกุศนเองแล้วกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เพ่งพินิษ ไว้แล้วแต่กลับเป็นของจริงเป็นของแท้ไม่เป็นอย่างอื่นไปเลยก็มีในพุทธิยถาก็แสดงหลักการอย่างนี้และจากนั้นก็ทรงแสดงวิธีการวางตนต่อความคิดเห็นและความเชื่อถือของตนและการรับฟังความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่นซึ่งเรียกว่าเป็นทัศนคติแบบอนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์หรือคุ้มของสัจจะก็ละสัจญานุรักษ์เนี่ยคนรักษาความจริงว่าบุรุษผู้มีเป็นวินยูวินยูชนคือผู้มีปัญญาเนี่ยเมื่อจะอนุรักษ์สัจจะ ไม่คนลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอย่างนี้ว่าอย่างนี้แท้เท่านั้นอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเล้ยวไหลทั้งนั้นถ้าแม้บุรุษมีความเชื่อคือศรัทธาอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ยังเชื่อว่าเขาอนุรักษ์ศัจธาอยู่แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเล้ยวไหลทั้งนั้นไม่ได้เกาะ ได้ข mm. mm. yeah. uh, ah. yeah. ้อปฏิบัติเพียงเท่านั้นชื่อว่าเป็นการอนุรักษ์สัจจะและคนพูดนั้นก็ชื่อว่าอนุรักษ์สัจจะอีกทั้งเราก็บัญญัติการอนุรักษ์สัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการอย่างรู้สัจจะมองเห็นคํานี้ไหมเข้าใจคํานี้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมอย่างนี้ว่าคนพูนกรณีที่บอกว่า ข้อปฏิบัติที่บอกว่าถ้ามีบุรุษมีความเชื่อมีศรัทธาที่ว่าเขาอนุรักษ์ศัจจะแต่แต่จะไปลงความเห็นท่านสอนว่าอย่าไปลงความเห็นอย่างเด็ดขาดลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเ ล, <im> ลวไหลไม่ได้ก่อนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นการอนุรักษ์ศัจจะและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าอนุรักษ์ศัจจานะอีกทั้งเราก็บัญญัติการอนุรักษ์ศัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านั้นแต่ยังไม่เชื่อว่าเป็นการอย่างรู้สัจจานะ อย่างยกตัวอย่างนะเราเชื่อเราเชื่อว่านรกสวรรค์มีนะแต่เรายังไม่รู้สัจจะ ย, ยังไม่รู้ความจริงด้วยานปัญญาใช่ไแต่เราเชื่อตามแนวทางของเหตุและผลเท่านั้นเนี่ยไอ้กรณีที่เราเชื่อตามแนวทางของเหตุผลเนี่ยที่ว่าเป็นอนุรักษ์สัจจะอีกทั้งเราก็บรญญัิการอนุรักษ์สัจจะด้วยการ การปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็คือว่าให้เราให้เราอนุรักษ์ไว้เพียงเท่านี้นะแต่ไม่ใช่ยืนยันตายตัวนะแต่เป็นความเชื่อตามแนวของเหตุผลเมื่อฟังเหตุฟังผลแล้วมันเป็นไปได้นรกมีจริงสวรรค์มีจริงตามแนวของเหตุผลจากราคะโทสะโมหะเนี่ยแล้วจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยทั้งคุณธรรมทั้งสองประการนี้มันนําไปสู่เมื่อเหตุมันมีอยู่ผลมันต้องมีเนี่ยอันนี้เชื่อตามแนวของเหตุและผล อันนี้เป็นในรักอนุรักษ์สัจจา์แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการยังรู้สัจจ์เพราะเรายังไม่ได้เห็นด้วยญาณปัญญาถ้าไปเห็นด้วยญาณปัญญาพัฒนายาญาณปัญญาจนสามารถระลึกได้เห็นได้ทั้งอดีตอนาคตอย่างชัดเจนประดุดังเห็นแก้วมณีบนฝ่ามือไออย่างนี้เขาเราียกว่าเห็นตามยังรู้สัจจะคือความจริงเห็นด้วยความเป็นความจริงแท้ประจักษ์ชัดเลยใช่ไหม ฉะนั้นความเห็นความเชื่อของพวกเรามันอยู่ในขั้นของอนุรัก ษ, ษ, ษ, ษ, ษ์สัจจะใช่จริงไม่จริง<ม>เออตามแนวของเหตุแลผลแต่ยังไม่ยังรู้สัจจะคือความจริงนั้น<ม>เราเชื่ อ, อนรกสวรรค์ไหมพร<ม>ามีจริงเ<ม>ชื่อเพราะเห็นเองหรือเชื่อเพราะยังรู้ตามแนวของเหตุผล<ม>เ อ, อเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุรักษ์อนุรัก ษ, ษ, ษ, ษ, ษ์สัจจะ แล้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติการอนุรักษ์สัจจะด้วยด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละก็ตามแนวของเหตุผลคุณก็ได้ตามแนวของเหตุผลแค่นี้แต่คุณสามารถจะพัฒนาปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถแทงตลอดอริยสัจได้เมื่อแทงตลอดอริยสัจจ์ได้แล้วเห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเองแล้วอันนี้อย่างรู้สัจจะแล้วนะไม่ต้องเชื่อใครอีกต่อไปไม่ต้องเอาแนวเหตุของเหตุผลมากล่าวเลยแต่เนี้ย เ, เห็นจริงๆเลยว่างั้นเลยนะประจักษ์แจ้งชัดด้วยปัญญาเลย ถ้อธิบายเรื่องความร้อนของไฟเนี่ยโหอธิบายเหตุอธิบายผลปุ๊บเออชัดเลยแต่วันได้วันหนึ่งเอามือไปแย่ไฟปุ๊บโอ้โหแต่เนี่ยนะยังรู้เลยชัดเลยอย่างเงี้ยเลยถ้าแม้นบุรุษมีความเห็นที่ถูกใจมีการเรียนต่อกันมามีการคิดตรองตามแนวของเหตุผลมีความเห็นที่ตรงกับทฤษฎีของตนอยู่อย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อเขากล่าวว่าก็าพระเจ้ามีความเห็น ที่ถูกใจอย่างนี้มีการเล่าเรียนมาอย่างนี้มีสิ่งที่คิดตรีตองตามแนวเหตุผลอย่างนี้มีความคิดเห็นตามทฤษฎีของตนอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังเชื่อว่าเขายังคุ้มครองสัจจะอยู่ใช่ไหมแต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเลวไหลอย่างนั้นได้ก่อนหรือไม่ได้ก่อนยังไม่ได้ก่อนใช่ได้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการคุ้มครองสัจจะ และคนผู้นั้นก็ชื่อว่าคุ้มครองสัจจะอีกทั้งเราก็บัญญัติการคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้เห็นไหมพระเจ้าเอออย่างเงี้ยตามแนวเหตุผลเชื่อหตุที่ผลได้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการยังรู้สัจจะใช่ไหมออ บ, บอมเรามองเห็นอย่างเห็นเลยนะถ้ามองเงี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นทุกข์ไหม พิจารณาแล้วเป็นทุกข์รึเปล่าเป็นทุกข์เพราะเห็นประจักษ์แจ้งหรือเป็นทุกข์เพราะอย่างรู้ตามแนวของเหตุผลฮะบอมบอมเห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยเพราะอย่างรู้ตามแนวของเหตุผลหรือพอฟังแล้วมันได้เหตุได้ผลมันก็เกิดความเชื่อพอเชื่อขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์จริงๆหรือมันเห็นประจักษ์แจ้งจริงๆว่าเป็นทุกข์ เป็นอะไรเออเป็นอนุรักษ์สัจจานั่นแหละคุ้มครองสัจจานั่นแหละนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าชื่อว่าเป็นการคุ้มครองสัจจามันเป็นความจริงความจริงตามแนวของเหตุผลเพราะว่าคิดตรองตามแนวของเหตุผลเราเรียนมาก็เป็นอย่างนั้นมันถูกใจด้วยแนวะฟงัฟงฟังปุ๊บเราเราก็ฮู้มันเชื่อมันเชื่อ แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเลวไหลได้ก่อนหรือไม่ได้ก่อนเพราะอะไรเออเพราะยังไม่ประ จ, กจัดดญญนนะจกษ์แจ้งชัดด้วยญาณปัญญาแต่วันใดวันหนึ่งประจักษ์แจ้งชัดได้ปัญญาอย่างนี้ชัดเจนไหมอย่างนั้นก็จะชัดเจนนะถ้าที่ปรากฏชัดก็คือเมื่อตรวจแล้วก็เจาะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในคราวที่คนภายนอกกํลาลังพูดสรรเสริญบ้านติดเตียนบ้างซึ่งพระเจ้า ภิกษุสงฆ์นำเรื่องเหล่านั้นมาสนทนากันนะมีอยู่ในทีคณิกายนศีละขันธวักนี่แหละบอกภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นก่าวติเตียนเราตีเตียนพระธรรมตีเตียนพระสงค์เธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรเศร้าเสียใจไม่ควรแค้นเคืองเพราะคำตำหนิตีเตียนนั้นถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองเศร้าเสียใจเพราะคำตีเตียนนั้นก็กลายเป็นอันตรายแก่พวกเธอทั้งหลายนั่นเองคือ หากคนพวกอื่นติเตียนเราติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงค์ถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองเศร้าเสียใจเพราะคาตีเตียนนั้นแล้วเธอทั้งหลายจะรู้ชัดถ้อยคํานี้ของเขาว่าพูดถูกผิดได้ละหรือภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจจะรู้ชัดภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นมาติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงในกรณีนี้เมื่อไม่เป็นจริงพวกเธอก็พึงกล่าวแก้เห็นว่าไม่เป็นจริงว่าข้อนั้นไม่เป็นจริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ ข้อนี้ไม่ถูกต้องและอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้ไม่มีในพวกเราสิ่งนี้หาไม่ได้ในหมู่พวกเรากระพิสูตทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวชมเราชมธรรมะชมสงฆ์เธอทั้งหลายก็ไม่ควรร่างเริงใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระยิ่มลำพองใจไม่ควรในคำชมถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมะชมสังฆะเนี่ยหากเธอทั้งหลายเริงใจลาพองใจแล้วไซ้ ก็จะเป็นอันตรายแก่พวกเธอทั้งหลายเหมือนกันถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมะชมสงฆ์ในกรณีนี้เมื่อเป็นความจริงพวกเธอก็ควรรับรองว่าเป็นความจริงข้อนี้เป็นจริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ข้อนี้ถูกต้องเพราะอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้เป็นมีในพวกเราสิ่งนี้หาได้ในหมู่พวกเราอย่างนี้เป็นต้นเออต่อจากนั้นก็อนุรักษ์สัจจะหรือคุ้มครองสัจจะสัจญานุรักษ์สัจญานุรักษ์เนี่ยพระเจ้าก็สแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้อย่างรู้สัจจะ เป็นสัจจานุโภธะและเข้าถึงสัจจะเป็นสัจจานุบัติก็คือในกาในกระบวนการแห่งการปฏิบัตินี้จะมองเห็นการเกิดศรัทธาความหมายและความสำคัญและขอบเขตความสำคัญศรัทธาตัางต่อไปนีนึงด้วยการปฏิบัติเท่าใดจึงจะมีการอย่างรู้สัจจะและบุคคลจึงจะชื่อว่าอย่างรู้สัจจะเมื่อได้ยินข่าวว่ามีภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือคามนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ ขาราดีก็ดีบุตรของขาราชการบดีก็ดีเนี่ยเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วก็ย่อมใครควรดูในธรรมะจำพวกโลภะธรรมะจำพวกโทสะธรรมะจำพวกโมหะว่าท่านผู้นี้มีธรรมะจำพวกโลภะที่จะมีเหตุแห่งที่เป็นเหตุครอบงําจิตใจทําให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าที่ไม่รู้ว่ารู้ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็นหรือทํา ให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดความทุกชั่วกาลนานแก่คนอื่นๆหรือไม่โ อ, โ อ, โอโ้โหตรวจสอบขนาดนั้นเวลาไปเกี <laughs> ่ยวข้องกับใครก็ไปดูว่าคนคนี้ยังมีความโลภอยู่มั้งเมื่อพิจารณาตัวเธออยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมยมพวกโลภคือความโลภความกําหนักที่จะเป็นเหตุครอบงำจิตใจทําให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่ารู้ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็นหรือทําให้เที่ยวชักชวนคนอื่น ให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเกื้อกูลและประสบความทุกข์ชั่วการนานแก่คนอื่นๆได้เลยอันหนึ่งท่านพูดท่านบุญนี้มีกายสมาจารวจีสมาจารยอย่างคนไม่โลภไม่มีความโลภอย่างนั้นทำที่ท่านผู้นี้แสดงก็ลึกซึ้งเห็นได้ยากอย่างรู้ได้ยากเป็นของสงบประณีตไม่อาจจะเข้าได้ด้วยตะ ก, กะละเอียดอ่อนบัณฑิตจึงจะรู้ได้ธรรมะนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนโลภจะแสดงได้ไง่ายๆ่อู๋ เมื่อพิจารณาไตรตรวจดูแล้วเนี่ยมองเห็นเธอเป็นผู้มีบริสุทธิ์จากธรรมะจำพวกโลภะแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมพิจารณาตรวจดูธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในธรรมะจำพวกโทสะจำพวกโมหะยังไมเมื่อใดพิจารณาตรวจดูมองเห็นเธอผู้นี้บริสุทธิ์จากธรรมะจำพวกโลภะโทสะโมหะแล้วเนี่ยคราวนั้นเธอย่อมฝังศรัทธาลงในเธอโอ้โหใครจะเชื่อใครต้องตรวจสอบตรงนี้นะโอ้ ไม่ใช่อยู่ๆให้ศรัท ธ, ธาเลยใช่ไหมให้ไปดูก่อนไอ้โลภะตัสามโมหายังมีไหมขนาดนั้นเขาเกิดศรัท ธ, ธาแล้วก็เข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่อคอยนั่งอยู่ใกล้ๆก็เงียบโสดคือตั้งใจคอยฟังเมื่อเงี่ยโสดลงก็ได้สดับพระธรรมขั้นสดับแล้วก็ทรงรทมนั้นไว้ย่อมพิจารณาไตรตรองอัฏฐะแห่งธรรมที่ทรงไว้เมื่อไตรตรองอัฏฐอยู่ เห็นชอบด้วยกับข้อธรรมตามที่ได้ไตร่ตรองนั้นธรรมะนั้นก็ทนต่อการคิดเพ่งพิสูจน์เมื่อเห็นชอบด้วยกับข้อธรรมะดังที่คิดเพ่งพิสูจน์ชันทะก็เกิดเมื่อเกิดชันทะก็เกิดอุตสาหะขั้นเกิดอุตสาหะแล้วก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียงขั้นคิดทบทวนเทียบเคียงแล้วก็ลงมือทําความเพียรเมื่อลงมือทุ่มเทจิตใจให้แล้วก็ย่ำทําปรมัตถสัจจะให้แจ้งกับตัว และเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจานั้นด้วยญาณปัญญาด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ชื่อว่ามีการอย่างรู้สัจจะหรือบุคคลชื่อว่าอย่างรู้สัจจะหรือเราย่อมบัญญัติการอย่างรู้สัจจะเป็นสัจจานุโภธะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจาก่อนเนี่ยนี่อย่างเห็นสัจจะเป็นอนุโภธะตามเห็นตามรู้นีด้วยข้อปฏิบัติเท่าไหรจึงมีการเข้าถึงสัจจะคนจึงจะเข้าถึงสัจจะการอาเสวนะ อาการราศีวันะการเจริญการทําให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะเป็นสัจจานุบัติเลยในขณะนั้นก็คือไตรตองไปเรื่อย ๆ, ๆมานสิกานไข้ ค, ควรประพฤติธปฏิบัติไปเรื่อยจนเข้าถึงดยานปัญญาละคายถ่ายถอนได้ในเข้าถึงสัจจะคนสามัญทั่วไปศรัทธาก็เป็นธรรมะขั้นต้นที่สําคัญยิ่งเนาะอย่างพวกเราเนี่ยนี่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชักนำให้เดินหน้าต่อไป เมื่อไม่ถูกต้องจึงเป็นการเริ่มต้นทีเดียวก็ทําให้การก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้ผลอย่างรวดเด็ยวคือใช้มันถูกใช้ศรัทธามุ่งไปต่อปัญญานี่แหละด้วยเหตุนี้จึงปรากฏบางคนผู้มีปัญญามากนั้นแต่ขาดความเชื่อนั้นก็กลายประสบความแต่ขาดความเชื่อมั่นกับประสบความสําเร็จช้ากว่าผู้มีปัญญาด้อยกว่าแต่มีศรัทธาแรงกล้าในกรณีที่ศรัทธานั้นไปตรงกับสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงเป็นการเป็นทุนนะเป็นเครื่องทุน ทุนเวลาไปในตัวตรงกันข้ามถ้าศรัทธาเกิดในสิ่งที่ผิดก็เป็นการทําให้เขว้แล้วก็หลงชักช้าหนักขึ้นไปอีกมองออกไหมให้ตัวศรัทธาบางคนมีปัญญาแต่ศรัทธาไม่มีเนี่ยเออเสียเวลาเยอะก็มีเนีเป็นตัวกัน้นซะอีกแต่คนมีศรัทธาปุ๊บโอ้โหไปหาท่านผู้รู้แล้วไปหาถูกทางเขาโอ้โหเขาบอกหลักการที่มัน เข้าใจเหตุเข้าใจผลได้ง่ายมีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็สรุปประเด็นได้ชัดดีกว่าไปคิดเองใช่ไหมโอ้โห oh, oh, นี่จะไปได้เร็วเลยเงแต่ถ้าไปเชื่อในสิ่งที่ผิดก็โอ้โ oh, หตัวใครตัวใครเลยนะ <P> ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของในคำสอนก็มีเหตุผลรองรับนะถ้าศรัทธามีปัญญาคอยควบคุมจึงยากที่จะผิดนอกจากจะพ้นวิสัยจริงๆก็จะสามารถแก้ไขถูกต้องได้ไม่ดิ่งไปในทางที่ผิด เพราะคอยรองรับมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้นการขาดศรัทธาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งทําให้ช ง, งักไม่ก้าวหน้ า, ไ ป, นาไปในทางที่ถูกต้องนะภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังสลัดทิ้งต่อในใจ5ประการไม่ได้ยังถอนสิ่งผูกรัด5ประการไม่ได้ข้อเท็จภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงามไปบุญในพระทวินัยย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต่อในใจเขาตะปูตะปูตึงใจเนี่ย อก็ได้ตะปูก็ได้ที่ภิกษุยังสลัดทิ้งออกไม่ได้ถอนออกไม่ได้ตอหรือตะปูเนี่ยภิกษุสงสัยเครือบแค้งไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสไม่แนบสนิทในพระบรมศาสดาภิกษุสงสัยเครือบแคขงไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสไม่แนบสนิทในพระธรรมภิกษุสงสัยเครือบแคขงใจไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสไม่แนบสนิทในพระสงฆ์ภิกษุสงสัยเครือบแคขงใจไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสแนบแนบสนิทในศิกขาสามนีอธิศิลสิกขาที่จิตตาที่ปัญญาภิกษุโกดเคลือง น้อมใจมีจิตกระทบกระทั่งเกิดความกระด้างกระเดืองเหมือนเป็นตอเกิดขึ้นในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย<อ>จิตของภิสูุที่สงสัยเครือบแคง้งไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสไม่แนบสนิทในพระบรมศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิษขาโกรเครื่องในเพื่อนที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความหมั่นฝึกฝนอบรมเพื่อความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อการลงมือทําความเพียรพยายามภิกษุผู้มีจิตที่ยังไม่น้อมไปเพื่อความเพียรชื่อว่ามีตออยู่ในใจมีตะปูตึงใจอยู่ยังสลัดทิ้งไปไม่ได้เนี่ยอันนี้เสียหายนี่ต้องระวังไอ้ตอต่อ4ตอเนี่ยเออหตอเนี่ยนะก็คือว่าเครือบแคลงสงสัยในพระทธเจ้าในประธรรมในประสงค์ในศึกขาจริงหรือศีลสมาธิปัญญาจะเป็นข้อฝึก ที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ปองแผ้วได้จริงหรือแล้วก็ยังขัดเครื่องภิกษุรูปนั้นใช้ไม่ได้รูปนี้ใช้ได้แล้วก็แต่ขัดเครื่องในพเิมเพิพ่มเอยเป็นต่อเลยไม่มีเห็นไหมไอ้ต่อ5ตอเนี่ยทิ่มใจอยู่ถอนตอ น, นี้ออกไม่ได้ไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยทาไมเลย อ่าวาไงอ๋อคื อ, อย่างนี้เออตรงนี้การยกมาก็มีมุ ม, มมองได้หลายมุมมองนะประเด็นว่าทำไมภาษาริบุตจึงบรรูุธรรมได้ชาท่านอุปมา ภาษาลิบบทจริงๆจะไปบอกว่าบรรลุธรรมช้าก็ไม่ได้เลยทีเดียวใช่ไหมภาษาริบบทฟังธรรมจากพระสัชชิปุ๊บแล้วได้เป็นพระโสดาบันแต่ที่บอกว่าช้าเนี่ยก็หมายความว่ า, าตั้งแต่แล้วต่อมาท่านก็ไปบําเพ็ญเพียรนะจนได้เป็นสกาธานาคาแล้วต่อมาเนี่ยอีกนานท่านถึงได้บรรลุประมาณ15วันนะ่จาจะประมาณนะั้นส่วนพระโมคคารนะเนี่ยเ็วันประมาณนะั้น บรรลุ ก, ก่อนที่ประเด็นก็เกลยกว่าเขาเลยกาท่านเลยกล่าวว่าภาษา บ, บรรพุทธบรรลุช้าวกว่าเหตุผลก็อย่างนี้เขาออกมาเหมือนการไปไปตัดไม้ไผ่เนะีไม้ไผ่ก่อนเนีน่ยการบรรลุธรรมของพระโมคคัลลานะเนี่ยเหมือนกับบุรุษคนไปตัดไม้ไผ่ทีนี้เวลาคนที่จะไปตัดไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ว่าต้องตัดไอ้แขนงไม้ไผ่ก่อน ไม้ไผ่ที่กอไม้ไผ่มันจะมีหนามอยู่ร้อมรอบก็ใช้ไอ้มีดขอนี่ไปตัดอ่าบางบุรุษบางคนเนี่ยต้องการไม้ไผ่ในกอไผ่เนี่ยไม่สนใจหรอกไม้ไผ่ลำนั้นจะงดงามขนาดไหนหรือไม่งดงามขนาดไหนขอให้ได้ไม้ไผ่เป็นอันว่าใช้ได้สักหนึ่งลำเนี่ยฉะนั้นก็จะเจาะเป็นช่องเล็กๆพอตัวเองเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปเอาขอกระชาก ดึตัดไม้ไผ่แล้วก็ดึงไม้ไผ่ลำนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ตามที่ตนเองปรารถนาที่จะไปทําก็ไปได้เร็วนะเนี่ยเลักษณะเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าโมคคัาณะเป็นต้นหรือว่าบุคคลอื่นที่ปรารถนาการบรรลุธรรมเนี่ยเขาเป็นแบบนี้คือเอาช่องเดียวไปเลยแต่พระสารีบุตรเนี่ยไม่ท่านต้องการบรรลุจริงต้องการไม้ไผ่เหมือนคนที่ต้องการไม้ไผ่จริงแต่ต้องถางให้เรียบตัดแขนงไม้ไผ่รอบทั้งหมดเลย เอาไม้ไผ่ออกให้กว้างแล้วก็เดินดูในบรรดาไม้ไผ่ทั้ง50ลำร้อยลำก็แล้วแต่เนี่ยจะดูว่าลำไหนที่สวยที่สุดแล้วก็เล็งเอาเฉพาะลำนั้นก็ตัดเอาลำนั้นไปนั้นจึงต้องใช้เวลามากกว่านั้นการบรรลุธรรมของภาษาริบุตรเนี่ยเหตุที่บรรลุช้ากว่าเพราะอาศัยปัญญาที่วิจัยทุกขสั์สมุทยสัจจะแล้วก็ดิโรทัสสัจจะเนี่ยจนถึงมรรคสัจจะเนี่ยกว้างขวาง มากกว่าบุคคลอื่นก็คือเห็นมุมมองมากกว่าเพราะปัญญามากสามารถมองทุกได้กว้างไม่ใช่ช่องเล็กๆ ก, ก็เหมือนกับแขนงไม่ไผ่เอาเฉพาะช่องที่ตัวเองจะได้ไม่ใช่เพื่อคนอื่นไว้ด้วยตัดเพื่อคนอื่นตัวเองเอาหนึ่งลามที่สวยที่สุดไปแล้วเนี่ยเนื้อคนอื่นจะมาตัดเนี่ยง่ายไว้ตัเนี้ยก็ง่ายฉะนั้นถ้ามุมมองแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าเป็นมุมมองว่ามีปัญญาแล้วเป็นเรื่องขัดขวางไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่เพื่อตอนเองอย่างเดียวอันนี้ก็มองได้หลายมุมที่มุมเนี้ยมุมหลักการต้องต้องว่าไปตามนี้เพราะท่านเป็นผู้มีปัญญามากยกเว้นพระพุทธเจ้าซะแล้วนอกนั้นไม่มีสาวกผู้ใดที่จะมีปัญญาเท่ากับพระสารีบุตรอันนี้ยืนยันโดยพระพุทธเจ้าเล ย, เนยในพุทธเขตเนี้ยในพุทธเขตเนียในมืนโลกธาตุเนีย ยกเว้นพระพุทธเจ้าหนึ่งซะแล้วนอกนั้นไม่มีใครเทียบท่านผู้นี้คือภาษาริบุนนั้นปัญญาท่านยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอยากได้ฐานนั้นนั้นไหมบอมอยากได้ไหมฐานน้าแบบนี้ฮะอยากได้หรือไม่อยากได้อ้าวตอนนี้ก็ต่อ ตรงนี้ก็คือการขาดศรัทธามีความสงสัยแคลงใจไม่เชื่อมั่นก็เป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาปัญญาและการก้าวหน้าไปสู่จุดหมายสิ่งที่ต้องทําในกรณีคือต้องปลูกศรัทธาและกําจัดความสงสัยเครือบแขลงใจแต่ถ้าปลูกศรัทธาในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมรับหรือมอบความไว้วางใจโดยไม่เคารพในคุณค่าแห่งปัญญาของตนนะต้องพิสูจน์ทดสอบด้วยปัญญาตัวนี้เห็นเหตุผลชัดเจนจนมั่นใจ หมดความลังเลสงสัยก็มีพุทธพจน์ที่ยกมาคิดไปเกิดศรัทธาเช่นในข้อความที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วิธีการกำหนดวาราจิตของผู้อื่นก็พึงทำการพิจารณาตรวจสอบในตถาคตเพื่อทราบพระองค์เป็นสัมมาสมุทธะหรือไม่ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วิธีการกาหนดวาราจิตของผู้อื่นก็พึงพิจารณาตรวจสอบตถาคต ในธรรมะสองอย่างคือในสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและได้หูธรรมะที่เศร้าหมองมีแก่พระ ธ, ธาคตหรือหาไม่มีหรือไม่มีเมื่อพิจารณาตรวจสอบพระธรรคตแล้วก็ทราบได้ว่าธรรมะที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูที่เศร้ามองของพระ ธ, ธาคตไม่มีเนี่สัทธาก็ตั้งแล้ว อาการต่อไปก็จากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบพัตนาคตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าเท่าที่พึงรู้ได้โดยตาและโดยหูธรรมะที่ชั่วบ้างดีบ้างป น, ป น, ป, นปนกันไปบ้างมีแก่พัตนาคตหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตก็ทราบได้ว่าทำเท่าที่พึงรู้ได้โดยตาและหูธรรมะที่ดีบ้างชั่วบ้างป น, ป น, ป, น, ป, นปนกันไปในพัฒนาคตนั้นไม่มีโอ้โหพระเจ้าไม่มียง จากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบพระเจ้าแ ต, ต่พระปัฏาคตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าเท่าที่รู้เท่าที่เห็นด้วยตาหูเนี่ยรู้ด้วยตาเห็นด้วยตาและรู้ด้วยหูทำที่สะอาดหมดจดมีแก่พปัฏฐาคตหรือไม่เธอก็จะทราบว่าเท่าที่รู้ด้วยตาและหูทำที่สะอาดหมดจดของปัฏถาคตมีอยู่จากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบพปตัตถาคตนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านผู้นี้ประกอบด้วยความสมบูรณ์ ซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดกาลรรยาวนานหรือประกอบด้วยชั่วเวลานิดหน่อยมีบ้างไหมมีความชั่วมามาเกลือกกลัวมาปนบ้างไหมเนี่ยเธอก็จะทราบได้ว่าเท่าท่านพูกเนี้ยประกอบด้วยความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมตลอดกาลยาวนานไม่ใช่ประกอบด้วยชั่วเวลาเพียงนิดหน่อยโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดตรงเนี้ยถ้ายิ่งตรวจสอบยิ่งทําให้ศรัทธาเกิดนะให้ตรวจสอบพระพุทธเจ้าได้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 เธอก็ทราบได้ดีว่าท่านภิกษุผู้นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศไม่ปรากฏว่ามีข้อเสียหายบางอย่างเช่นนั้นจากนั้นเธอก็ตรวจสอบพัตถาคด ต, ต่อไปยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นอกุศลโดยไม่มีความกลัวมิใช่งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนากามทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพรอหมดสิ้นราคะหาไม่หรือหาไม่เนี่ยเธอก็จะทราบชัดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัว ไม่ใช่พู้งงดเว้นเพราะกลัวนะไม่เสวนาการมทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดราคะนั่นเองหากมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นว่าท่านมีเหตุผลอาการะอย่างทราบอนุญา็ว่าอนุญาตที่วได้อย่างไรว่าทำให้กล่าวได้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวมิใช่งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนาการมทั้งหลายเพราะปราศจากราคาหมดราคาพิกจุเมื่อจะตอบให้ถูกต้องพึงตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้เมื่ออยู่ในหมู่ก็ตามอยู่ราพังผู้เดียวก็ตามในที่นั้นผู้ใดจะปฏิบัติตนได้ดีก็ตามจะไปแดดตนไม่ดีก็ตามจะเป็นผู้ปกครองหมู่คณะก็ตามจะเป็นบางคนที่ติดวุ่นอยู่ในอามิ t h ก็ตามจะเป็นบางคนที่ไม่ติดด้วยกับอามิ t h ก็ตามท่านผู้นี้ไม่ดูหมิ่นคนคนนั้นๆเพราะเหตุนั้นนั้นเลย ข้าพเจ้าได้สดับได้รับฟังถ้อยคํามาจำเพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคทีเดียวว่าเราเป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวเรามิใช่อยู่งดเว้นด้วยเพราะความกลัวเราไม่เสลวนาการมทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคาเพราะหมดราคะภิกษู่ทั้งหลายในกรณีนี้พึงสอบถามตถาคตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่รู้เห็นด้วยตาและด้วยหูทำที่เศร้าหมองมีแก่พระตถาคตหรือหาไหมตถาคต ก็จะตอบแก่เธอก็เมื่อจะตอบแก้ก็จะตอบบอกว่าไม่มีถามว่าธรรมนี้ดีบ้างชั่วบ้างปนๆกันบ้างมีแก่พระธรรมคตหรือไม่พระธรรมคตเมื่อจะตอบก็จะตอบแก่ว่าไม่มีเมื่อถามว่าธรรมที่สะอาดหมดจดมีแก่พระธรรมคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อจะแก้จะตอบว่าเรามีธรรมที่สะอาดหมดจดเป็นทางดําเนินและเราอยู่เป็นและเราเป็นผู้มีตัณหา เพราะเหตุนั้นก็าหาไม่ศาสดาผู้กล่าวได้อย่างนั้นแลสาวกจินควงเข้าไปหาเพื่อสดับธรรมะศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่สาวกนั้นนั้นงสู ง, สงยิ่งยิ่งขึงงงง้นไปประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งดำทั้งขาวเปรียบเทียบให้เห็นตรงกันข้ามศาสดาแสดงธรรมแก่ภิกษุอย่างใดอย่างใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งทำบางอย่างในธรรมนั้นนั้นบางอย่างนั้นนั้นแล้วก็ย่อมถึงความตกลงในใจในธรรมทั้งหลายย่อม เรื่มใสในพระบรมศาสดาพระผู้ไอภาคเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะทำเอารรพระเจ้าตัดไว้ดีแล้วสงเป็นผู้ปฏิบัติดีนี่เป็นต้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นชัดนะว่าเออมีศาสดาใดไหมที่บอกว่าให้ตรวจสอบท่านได้พระเจ้าเนี่ยให้ตรวจสอบถ้ายิ่งยิ่งเกินไปมีมานพคนหนึ่งเนี่ย ไปเฝ้าสังเกตพระพุทธเจ้าอยู่เจ็เดือนดูทุกอย่างเข้าห้องน้ำนอนทำอะไรแอบดูหมดเลยอยากจะดูว่ามีหลกหลิกไหมมีหลุดไหมมีนั่งนั่งแล้วก็ดิกขาเพลินๆ น, นั่งจะอ่านหนังสือแล้วหลับพับพระพุทธเจ้าไม่มีนะมีไหมพระพุทธเจ้าบอกเอเรื่องนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวเขา อ, อ่านดูกันนี่แล้วใช่ไหม ไม่มีไ ม, มแล้วเดินเดินเดินไปแล้วเผือหัวเลาะกักขึ้นว่าคนเดียวเนี่ยมีไหมไอ้วพวกเราอ่ะพวกเรามีไหมอยู่คนเดียวเสียงเฮอเยี่มีไหมมีไม่มีเฮ่นี่แปลว่าเห็นทุกข์หรือเปล่าใช่ไหมเห็นเลย แก้เน่ยมันแก้ได้เลยไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พระเจ้าเออใ ห, ให้ต้องการพิสูจน์ท่านนั่นแหละพระเจ้าบอกว่าพิสูจ์ทั้งหลายศรัทธาของบุคคลใดผู้หนึ่งฝังลงในพระธรราคตเกิดเป็นข้ามูลเป็นพื้นฐานที่ตั้งโดยอาการเหล่านั้นโดยบทเหล่านี้โดยพยาญชนะเหล่านี้เรียกว่าศรัทธาที่มีเหตุผล อาการละวตีเนี่ยมีการเห็นเป็นมูลราบเป็นมูลฐานเป็นทัศนาภูมิกามั่นคงด้วยอันสมณะหรือพราหมณ์หรือเทพเจ้าหรือมารหรือพรหมอันใครๆในโลกให้คลาดเคลื่อนไม่ได้การพิจารณาตรวจสอบธรรมะในพระธรรมคตเป็นอย่างนี้แลและตถาคตย่อมเป็นอันได้รับการพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยในนี้ พระเจ้าเนี่ยวยทั้งมนุษย์เทวดามารพรทั้งหลายเนี่ยพากันตรวจสอบพระเจ้าในหมื่นจักรวาลทั้งหลายพากันมาตรวจสอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นพระเจ้าจึงไม่มีอากัรกริยาใดๆหรือมีความเสียหายบกพร่องใดๆเลยว่ากันเถิดนี่เป็นอย่างเงี้ยก็มีเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะเกี่ยวในเรื่องของว่ามีผู้ใดประกาศตนเองแสดงความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์ จ, จะประทานความเห็นชอบและจะทรงสอบสวนก่อนว่าศรัทธาภาษาท่าของเขามีเหตุผลมูลหลกหรือไม่เช่น ครั้งหนึ่งภาษาลิบุตรเนี่ยเข้าไปพ่อพระเจ้ากราบทูลความเลื่อมใสและพระพเจ้าก็ตรัสตอบบอกว่าภาษาริบุตรพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีภาคเจ้าอย่างนี้ว่าสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีอื่นๆใดที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีภาคเจ้าในสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นน่ยไม่เคยมีจักไม่มีแล้วไม่มีอยู่ในบัดนี้อันนี้โหแปลว่าภาษาริบุตรระลึกมาหมดนะในอดีตก็ไม่มีหวังกันเถอะ ไม่มีหรอกสมณะหรือพรามที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่มียิ่งกว่านะและในอนาคตก็ไม่มีและหนับบัตรนี้ก็ไม่มีมาออกไหมประเด็นนี้เข้าใจประเด็นที่ภาษาริบุตท่านพูดคานี้ัหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจฮะเข้าใจคำนี้ไหม คือภาษารๅบุตรเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าเลื่อมใสว่าสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีอื่นใดที่จะมีความรู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นไม่เคยมีแปลว่าแน่ดีที่ไม่เคยมี แล้วก็จกไม่มีในอนาคตที่จะมารู้จะมีสมณพราม์ที่จะมาเกิดในอนาคตเนี่ยก็จะไม่มีใครที่มีความรู้มากกว่าพระเจ้าและในบัตรนี้ก็หาไม่มีเข้าใจคำนี้ไหมเอาเข้าใจไง เข้าใจคำนี้ไหมปอมไม่เข้าใจเอาในอดีตที่ผ่านมามีใครรู้อริยสัจสีเกินพุทธเจ้าไหมมีไห ม, มและในอนาคตล่ะใครจะรู้แทงตลอดอริยสัจ ส, สีเกินพุทธเจ้ามีไหมและปัจจุบันล่ะใครจะรู้แจ้งอริยสัจ ส, สีเกินพุทธเจ้ามีไหมเอา้าเอาพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมา รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสีเนี่ยเกินพระเจ้าองค์ปัจจุบันไหมเท่าหรือเกินเนบอกเนี่ยคือไม่เกินแม้ในอนาคตใครจะมาตัดสรู้เป็นพระเจ้าก็จะไม่มีการแทงตลอดเกินกว่านี้แม้จะมีพระเจ้าองค์ปัจจุบั น, นมาเทียบพระเจ้าองค์นี้ก็จะไม่รู้เกินกว่านี้หรอกนี่ภา ษ, ษาลิบุตรนี่เป็นสาวกแต่ไปประกาศสัมมาสัมปวิญานของพระเจ้าในการประกาศในลักษณะอย่างเงี้ยฟังอีกทีก็โอ้โหเหมือนไม่ประมาณตนรู้ได้ยังไง รู้ได้ยังไงตัวเองเป็นสาวกแต่ทำไมประกาศกล้ายืนยันอย่างนี้เห็นไมพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจาวาจาอาถานเนี่ยครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเธอบรลือเสียหนา้าถือเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าดังนี้เธอไม่ใช่เธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตหรือว่า โอ้โหนี่เรื่องใหญ่ไหมเนี่ยพระพูทมีภาคเจ้า น, นั้นมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีธรรมอยู่อย่างนี้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้เออไปกําหนดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนัสสนะนของบุรีเจ้าองค์ก่อนๆนมีเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมมียานปัญญาสำนึกําหนดรู้ธรรมะกำหนดรู้ญาณปัญญาของบุรีเจ้าแม้ในปัจจุบันก็สามารถรู้ทั้งหมดใช่ไหม ว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนามีเท่านี้เท่านี้แล้พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสในอนาคตเนี่ยเธอก็สามารถกาหนดรู้ได้ว่าจะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะเท่านี้เท่า น, นี้ใช่ไหมแปลว่าถามนะว่าภาษาริบุตรเนี่ยท่านมีญาณปัญญาที่รู้ประมาณปัญญาของพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือไม่รู้หรือไม่รู้รู้ไหมบอมรู้ไหม ระดับปัญญาอย่างภาษาริบุเนี่ยจะไปรู้ประมาณของสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุธเจ้าไหมและทำไมท่านพูดอย่างนี้นี่อ่ะภาษาริบุบอกไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะท่านไม่ได้มีท่านไม่ได้มีความสา ม, มารถขนาดนั้น พระเจ้าเธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตของพระหันตะสามมาสมุทรเจ้าทุกๆพระองค์พระองค์ที่จับเป็นในนาคตพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้เนี่ยภาษาลิบุตรมิใช่อย่างนั้นพระเจ้าก็กแล้วเราเป็นพระหันตสามมาสมุทรเจ้าในบัดนี้เธอก็ได้ใช้จิตเนี่ยของเธอกำหนดรู้จิตแล้วหรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้ ภาษารีบุตรบอกไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ก็ในเรื่องนี้เมื่อเธอไม่มียานพี่จะกำหนดรู้จิตของพระาสารดตรสมมาสมุทิเจ้าทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันเช่นนี้แล้วฉันไหนเล่าเธอจึงได้กล่าวอาสพิอาสพิวาจาอันยิ่งใหญ่นักบรรลือเสียนาถือเป็นเด็ดขาดอย่างเดียวดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยทไมเป็นอย่างนั้นภาษารีบุตรบอกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มียาณนะทัศธสนาคำลุดคำหนดรู้จิตของพระอาจารย์ทศมาสมุทัเจ้าทั้งในอดีตนาครและปัจจุบันก็จริงแต่การนั้นข้าพระองค์ทราบการอย่างตามแนวของธรรมะนี่คำนวณตามแนวของธรรมะคำนวณ น, นะเห็นเองส่วนเดียวแต่คำนวณเมื่อเอาจากที่ตัวเองคำนวณแล้วจากที่เห็นแล้วไปคำนวณตามแนวของธรรมะว่าพระองค์ผู้เจริญเปรียบเสมือนกับชายแดนของพระอาจา เหมือนกับเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมที่หนาแน่นมีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตูประตูเดียวคนเฝ้าประตูพระนคร น, นั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจตาดูตามแนวกำแพงรอบเมือง น, นั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงแม้เพียงที่แมวลอดออกมาได้ ยอมคิดว่าสัตว์ตัวใดทุกอย่างทุกตัวจะเข้าออกเมือง น, นี้จะต้องออกทางประตูนี้ประตูเดียวเท่านั้นชั้นใดข้าพระองค์ก็ทราบแนวทราบการอย่างแนวธรรมะทรมันยยวะนี่แหละฉะนั้นเหมือนกันว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตทรงละนิวรหาที่ทาจิตให้เศร้าหมองทาบัญญัติให้อ่อนกาลังได้แล้ว มีพระไทยตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสคือกายเวทนาจิตธรรมทรงเจริญพ่อชงเจ็คือสติปัสติสัมโพ่อชงธรรมวิจยาสัมโพ่อชงวิริยาปีติปัปสสธิสมาธิไดะเวขาสามพ่อชงตามเป็นจริงจึงได้ตัดสรุปนุตรสัมมาสัมพธิยาณแม้พระพูทมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มีในที่จักมีมาในนาคตก็จะทรงทำอย่างนั้นแม้พระเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะบัดนี้ก็ทรงละนิวรมีพระ ไทยตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่เจริญโพชฌงเจตตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสมัมพุญญาเช่นเดียวกันอันนี้ชัดไหมบอกว่าบุคคลที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยจะต้องฝึกฝนพัฒนายัางไงเห็นยังไงเพรางั้นแทงตลอดทุกยังไงละสมุไทยทำนิโรธแจ้งอบรมมักสติปัฏฐานสมภประธานอิทิบาตีสี 4, พระโาพชฌงรฤยมักอย่างไรเป็นเหมือนกันหมดต้องแนวนี้เท่านั้น แนวอื่นไม่มีเนี่ยพอเห็นอย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็เลยอุทานออกมาว่าพุทธเจ้าในอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนกันรู้ธรรมะแบบนี้เท่ากันอย่างนี้แล้วไม่เกินกันแบบนี้เห็นไหมเกิดจากการที่ตนเองได้เข้าถึงบางส่วนแล้วก็เลยตรึกแล้วก็เข้าใจประมวลตามแนวธรรมะที่ตนเองเข้าใจนั่นนะอันนี้พูดถึงเรื่องศรัทธานีความเลื่อมใสต่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ถ้าใช้ได้ถูกต้องจะเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละข้อดีของศรัทธาคืออริยสาวกผู้ใดเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ถึงที่สุดในพัตนาคตอริยสาวกนั้นจะไม่สงสัยหรือแคลงใจในพัตถาคตหรือในคําสอนของพัตถาคตสําหรับอริยสาวกที่มีศรัทธาเป็นอันหวังได้คือเขาจะเป็นผู้ตั้งหน้าทําความเพียรกําจัดอกุศลทั้งทั้งหลายและบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายให้บริบูรณ์จกเป็นผู้มีเรี่ยวแรงบากบัน่นอย่างมั่นคงไม่ทอดุเลาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ทอทุาในพริาพานเนี่ยแหละส่วนข้อเสียก็คือภิกษุทั้งหลายข้อเสีย5อย่างในการเลื่อมใสบุคคลก็คือว่าบุคคลเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคล น, นั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้สงยกวัดเขาจึงคิดว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราถูกสงยกวัดเสียแล้วบุคคลเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคล น, นั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้ส ง, บ, งบังคับให้นั่งนะ ท้ายสุดของสองฆ์แล้วบุคคลนั้นออกเดินทางไปเสียที่อื่นบุคคลนั้นลาสิกขาไปเสียบุคคลนั้นตายไปเสียเขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่นๆเมื่อไม่คบหาภิกษุอื่นก็ไม่ได้สดับพระสัต ธ, ธรรมเมื่อไม่ได้สดับพระสัตธรรมก็เสื่อมอยากธรรมะอันนี้เป็นโทษนะการยึดติดบุคคลก็ยหญ่ยังเขาย่อมไม่คบหาบุออ น, นี่ยไม่ได้เสื่อมอยากธรรมะนี่เป็นความเสียหายเนาะภิกษุทั้งหลายสิ่ง4ประการย่อมเกิดขึ้นได้คือความรักเกิด จากความรักโทสะเกิดจากความรักความรักเกิดจากโทสะโทสะเกิดจากโทสะโทสะเกิดจากความรักอย่างไรบุคคลที่ตนเองปรารถนารักใครพอใจถูกคนอื่นประพฤ ต, ติต่อด้วยการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจตรง น, นี้เขาก็เกิดโทสะในคนเหล่านะั้นนี่ก็รายละเอียดนะรายละเอียดในการที่จะเป็นปัจจัยต่อ ก, การที่จะคือ <Ps>. พยายามแยกแยะให้เห็นแต่จริงอ่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของปริมาณของศรัทธา มีอะไรสงสัยไหม